พระตตปิฎกเล่มที่ 15, มมสิบห้าปรมมสังยุตว่าด้ยวยเรื่องของปรมหมวดที่หนึ่งปรมมายาจนะสูตรว่าด้วยเท้ามหาปรมอรัธนาพระพุทธเจ้าแสดงธรรมสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคแรกตรัสรู้ประทับอยู่ที่โคนต้นอชาปาละนิโครธใกล้ฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ตามบนอุรุเวลาครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงหลีกเร้นอยู่ในที่สงัดเกิดความรำพึงอย่างนี้ว่าธรรมะคืออริยสัจสี่ที่เราได้บรรลุแล้วนี้ลึกซึ้งเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากสงบปราณีตไม่เป็นวิสัยแห่งตักกะละเอียดบัณฑิตจึงจะรู้ได้ สำหรับหมู่ประชาชนผู้รื่นรมด้วยอาลัยคือกามคุณห้าได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสและปวดทับพะยังยินดีในกามาคุณห้าเพลิดเพลินในกามคุณห้าฐ า, า, านะนี้ย่อมเป็นสิ่งที่เห็นได้ยากกล่าวคือหลักอิทธปัจจยตาหลักปฏิจจสมุปบาทถึงแม้ฐานะนี้ก็เป็นสิ่งที่เห็นได้ยากนัก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 ถูกกองโมหะคุ้มห่อไว้จักรู้เห็นไม่ได้เมื่อพระผู้มีพระภาคทรงพิจารณาเห็นดังนี้พระไถยก็น้อมไปเพื่อการขวนขวายน้อยมิได้น้อมไปเพื่อแสดงธรรมครั้งนั้นเท้าสหัมบดีพรมทราบความรำพึงของพระผู้มีพระภาคด้วยใจแล้วมีความคิดดังนี้ว่าท่านผู้เจริญทั้งหลาย โลกจะชิบหายหนอเพราะพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงน้อมพระไทยไปเพื่อการกวนขวายน้อยมีได้น้อมพระไทยไปเพื่อแสดงธรรมจึงหายตัวจากโภมโลกมาปรากฏอยู่หน้เบื้องพระพักพระผู้มีพระภาคกราบทูลดังนี้ว่าถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคได้โปรดแสดงธรรมขอพระสุคตได้โปรดแสดงธรรม เพราะสัตว์ทั้งหลายผู้มีกิเลสดุจทุลีในตาน้อยก็มีอยู่สัตว์เหล่านั้นย่อมเสื่อมเพราะไม่ได้สดับธรรมเพราะจาักมีผู้รู้ธรรมกราบทูลดังนี้แล้วได้กล่าวคถาอื่นอีกว่าในการกรธรรมะที่ไม่บริสุทธิ์ตันคนผู้มีมนทินคิดค้นไว้ปรากฏในแคว้นมคตพระองค์โปรดทรงเปิดประตูอมาตะนั้นเถิด ขอเ่าสัตว์จงฟังธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ปราศจากมนทินได้ตรัสรู้แล้วตามลำดับข้าแต่พระองค์ผู้มีปัญญาดีมีพระส ม, มัญตจักสุบุรุษผู้ยืนอยู่บนยอดเขาสิลาล้วนปึงเห็นหมู่ชนได้โดยรอบชั้นใดพระองค์ผู้หมดความเศร้าโศกแล้วก็ฉันนั้นสเสด็จขึ้นสู่ปราศาสตรคือธรรมะแล้ว จกได้เห็นหมู่ชนผู้ตกอยู่ในความเศร้าโศกและถูกชาติคือความเกิดชราคือความแก่ครอบงําได้ชัดเจนถ้าแต่พระองค์ผู้กล้าวกล้าผู้ชนะสงครามผู้นําหมูผู้ไม่มีหนี้ขอพระองค์โปรดลุกขึ้นเสด็จจาริกไปในโลกถ้าแต่พระผู้มีพระภาคขอพระองค์โปรดจงแสดงธรรมเพราะจักมีผู้รู้ธรรม ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบคำถุนอารัธนาของพรมและเพราะความมีพระมหากรุณาในหมู่สัตว์ทรงตรวจดูโลกด้วยพุทธจักษสุขเมื่อพระผู้มีพระภาคได้ทรงเห็นสัตว์ทั้งหลายผู้มีกิเลส ด, ดุจธุลีในตาน้อยมีกิเลส ด, ดุจทุลีในตามากมีอินทรีย์แก่กล้ามีอินทรีย์อ่อนมีอาการดีมีอาการซาม สอนให้รู้ได้ง่ายสอนให้รู้ได้ยากบางพวกมักเห็นปรโลกและโทษว่าน่ากลัวบางพวกไม่เห็นปรโลกและโทษว่าน่ากลัวมีอุปมาเหมือนในกออุบลในกอปทุมในกอปุนทริกในที่นี้คือชื่อดอกบัวทั้งหมดนะครับดอกบัวบางดอกที่เกิดในน้ำเจริญในน้ำยังไม่พ้นน้ํา จมอยู่ในน้ำมีน้ำเลี้ยงอยู่ดอกบัวบางดอกที่เกิดในน้ำเจริญในน้ำอยู่เสมอ น, น้ำดอกบัวบางดอกที่เกิดในน้ำเจริญในน้ำขึ้นพ้นน้าไม่แต่น้าฉันใดพระผู้มีพระภาคทรงตรวจดูโลกด้วยพุทธจักสุได้เห็นสัตว์ทั้งหลายผู้มีกิเลสดุธุลีในตาน้อยมีกิเลสดุธุลีในตามาก มีอินทรีย์แก่กล้ามีอินทรีย์อ่อนมีอาการดีมีอาการซามสอนให้รู้ได้ง่ายสอนให้รู้ได้ยากครั้นทรงเห็นแล้วได้ตรัสตอบเท้าสหามพอดีพรหมด้วยพระคาถาว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่าใดจะฟังจงปล่อยศรัทธาเถิดเราได้เปิดประตูอมาตะแก่สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นแล้วท่านพรหมเพราะเราสำคัญว่าจะลำบาก จึงมีได้แสดงธรรมที่ปราณีคล่องแคล่วในหมู่มนุษย์ลำดับนั้นทาสหบดีโรมคิดว่าพระผู้มีพระภาคได้ทรงประทานโอกาสแก่เราเพื่อจะทรงแสดงธรรมแล้วจึงถวายอภิวาตพระผู้มีพระภาคกระทำประทักษิณแล้วหายตัวไปณที่นั้นแหลข่าวระวะสูตร ว่าด้วยพระพุทธเจ้าทรงสักการะเคารพธรรมะสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคแรกตรัสรู้ประทับอยู่ที่ใต้ต้นอชาปาระนิโครธใกล้ฝั่งแม่น้ำเนรัญชราตำบลอุรุเวลาครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จหลีเกเล่นอยู่ในที่สงัดเกิดความรำพึงอย่างนี้ว่า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 แต่เราไม่เห็นสมณะหรือพรามอื่นในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมาราโลกโรมโลกและหมูสัตว์พร้อมทั้งสมณะพรามเทวดาและมนุษย์ที่มีศีลสมบูรณ์กว่าเราที่เราจะพึงสักการะเคารพอาศัยอยู่และโดยในยะเดียวกันทรงมีพระดำริว่าเราพึงสักการะเคารพ อาศัยสมณพราหมณ์ใดเพื่อความบริบูรณ์แห่งสมาธิขันเพื่อความบริบูรณ์แห่งปัญญาขันเพื่อความบริบูรณ์แห่งวิมุตติญาณทัศนขันเมื่อพิจารณาแล้วพระองค์ทรงไม่เห็นว่าสมณพราหมณ์อื่นในโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมาราโลกโรมโลกหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ที่มีปัญญาสมบูรณ์กว่า ที่มีวิมุตต์สมบูรณ์กว่าที่มีวิมุตติยานัทสนะสมบูรณ์กว่าที่พึงสักการะเคารพอาศัยอยู่ทางที่ดีเราพึงสักการะเคารพธรรมะที่เราตรัสรู้แล้วนั่นแหละอยู่ครั้งนั้นท้าวสหมบดีพรมทราบความรำพึงของพระผู้มีพระภาคด้วยใจแล้วหายตัวจากโรมโลกมาปรากฏเบื้องพระภัก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 แม้พระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในปัจจุบันก็ขอจงสักการะเคารพอาศัยธรรมะอยู่เถิดเท้าสหมบดีพรมกราบทูลดังนี้แล้วจึงได้กล่าวคาถาอื่นต่อไปอีกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตหลักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดในปัจจุบัน ผู้กระจัดความเศร้าโศกของสัตว์เป็นจำนวนมากให้พินาศไปทุกพระองค์นั้นล้วนเคารพพระสัตยธรรมอยู่นี้เป็นธรรมดาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแหลกุลบุตรผู้ใฝ่ประโยชน์มุ่งหวังความเป็นใหญ่ระลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพึงเคารพพระสัตยธรรม พรมมะมเทวสูตรสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเจตวันอารามของอนาถาบินทิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นบุตรของนางปรามณีคนหนึ่งชื่อพรมมะมเทพออกบวชในสำนักของพระผู้มีพระภาคครั้งนั้นท่านพระพร ม, มเทพลีกออกไปอยู่คนเดียว ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศการและใจอยู่ไม่นานนักก็ทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์ยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์สำเร็จเป็นพระอรหัน์รูปหนึ่งในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายครั้นเวลาเช้าท่านพระพรหมเทพเที่ยวบินธบะในกรุงสาวัตถีตามลำดับตรอกแล้วเข้าไปยังที่อยู่แห่งมารดาของตน สมัยนั้นนางปรามณีมารดาของท่านพระพรหมเทพถือการบูชาด้วยก้อนข้าวแก่พรมเป็นนิสครั้งนั้นเท้าวสหบดีพรมดำริว่านางปรามณีผู้มารดาของท่านพระพรหมเทพนี้ถือการบูชาด้วยก้อนข้าวแก่พรมเป็นนิสทางที่ดีเราพึงเข้าไปหานางแล้วทาให้สลดใจลำดับนั้น ท้าวสหบดีพรมยืนอยู่ในอากาศได้กล่าวกับนางปรามณีมารดาของท่านพระพร ม, มเทพด้วยคาถาทั้งหลายว่านางปรามณีท่านถือการบูชาด้วยก้อนข้าวแก่พรมใดเป็นนิพพร ม, มโลกของพรมนั้นอยู่ไกลจากที่นี้นางปรามณีอาหารของพรมไม่ใช่เช่นนี้ท่านไม่รู้จักทางของพรม ทำไมจึงบ่นถึงพรหมนางปรามณีก็ท่านพระพรหมเทพของท่านนั้นเป็นผู้ไร้อุปธิถึงความเป็นอติเทพไม่มีกิเลสเครื่องกังวลเห็นภัยหนึ่งเนืองไม่เลี้ยงดูผู้อื่นท่านพระพรหมเทพผู้เข้าสู่เรือนของท่านเพื่อบินธบาตเป็นผู้สมควรแก่ก้อนข้าวที่บุคคลพึงนำมาบูชาพูดถึงฝั่งแห่งเวท อบรมตนแล้วควรแก่ทักษิณาของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายลอยบาปแล้วไม่ถูกตัญหาและทิฏฐิชาบทาเป็นคนเยือกเย็นกำลังเที่ยวแสวงหาอาหารอยู่อดีตและอนาคตไม่มีแกทท่ท่านพระพรหมเทพนั้นท่านพระพรหมเทพเป็นผู้สงบระ ง, งับปราศจากควันไม่มีทุกข์ไม่มีความหวัง วางอาชญาแล้วในปุถุชนผู้ยังมีความหวาดหวัน่นและในพระขีณาสกผู้มั่นคงขอท่านพระพรหมเทพนั้นจงบริโภคบิณฑบาตอันเลิศสำหรับบูชาพรม์ของท่านท่านพระปรหมเทพซึ่งเป็นผู้ปราศจากเสนามมนมีจิตสงบระ ง, งับฝึกตนแล้วเที่ยวไปเหมือนช้างกระเริดไม่ห ว, วั่นไหว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 นางปรามณีท่านเห็นมุนีผู้ข้ามโอคะได้แล้วจงทำบุญอันจะนำความสุขมาให้สืบสืบไปท่านจงเป็นผู้เลื่อมใสในท่านพระพรหมเทพนั้นเป็นผู้ไม่หวั่นไหวตั้งทักษิณาไว้ในท่านผู้เป็นทักษีนัยยะบุคคลนางปรามณีท่านเห็นมุนีผู้ข้ามโอคะได้แล้วจงทำบุญอันจะนำความสุขมาให้สืบสืบไป พระกะสูตรว่าด้วยพระกะพรมสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในพระเชตวันอารามของอนาถาบินธิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นพระกะพรมได้เกิดทิฏฐิชั่วเช่นนี้ว่าฐานะแห่งพรมนี้เที่ยงยั่งยืนติดต่อกันคงที่มีความไม่เคลื่อนเป็นธรรมดา ไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติอันหนึง่งเครื่องสลัดออกจากทุกอันยิ่งอย่างอื่นนอกจากฐานะแห่งพรหมไม่มีครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบความคิดคำหนึ่งของพระกะพรหมด้วยพระทัยแล้วทรงหายพระองค์จากพระเชตวันแล้วไปปรากฏในพรหมโลกนั้นพระกะพรหมได้เห็นพระผู้มีพระภาคกาลังเสด็จมาแต่ไกล ได้กราบทุนพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุก ข, ขอพระองค์จงเสด็จมาเถิดขอรับเสด็จนานพระองค์จะมีเวลาเสด็จมาที่นี้ข้าแต่พระองค์ผู้นิรุกุ์ก็ฐานะแห่งพรหมนี้เที่ยงยั่งยืนติดต่อกนรคงที่มีความไม่เคลื่อนเป็นธรรมดาไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติอันหนึ่งเครื่องสลัดออกจากทุกข์อันยิ่ง นอกจากฐานะแห่งพรหมนี้ไม่มีเมื่อพักกะพรลมกล่าวเช่นนี้แล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับพักกบพรมดังนี้ว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายพักกะพรลมถึงความโง่เขลาแล้วหนอะพักกะพรมกล่าวฐานะแห่งพรหมที่เป็นของไม่เที่ยงว่าเที่ยงกล่าวฐานะแห่งพรหมที่ไม่ยั่งยืนว่ายั่งยืน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 อันหนึ่งยอมกล่าวเครื่องสลัดออกจากทุกขอันยิ่งอย่างอื่นซึ่งมีอยู่ว่าไม่มีพระกะพรมกราบทูลว่าข้าแต่พระโคดมพวกข้าพระองค์เจ็ดสิบสององค์บังเกิดในพรหมโลกนี้เพราะบุญกรรมมีอำนาจให้เป็นไปล่วงชาติและชาราได้แล้วการอุบัติในพรหมโลกซึ่งถึงฝั่งแห่งเวทนี้ เป็นที่สุดแล้วชนไม่ใช่น้อยย่อมปรารถนาเป็นดังพวกข้าพระองค์พระผู้มีพระภาคตรัสว่าพระกับรมท่านสําคัญอายุใดว่ายาวก็อายุนั้นสั้นไม่ยาวเลยพรมเรารู้อายุหนึ่งแสนิรพุทธของท่านได้ดีพระกับรมกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาค พระองค์ตรัสว่าเราเป็นผู้มีปกติเห็นไม่มีที่สิ้นสุดลวงชาติชราและความเศร้าโศกได้แล้วอะไรเป็นศีละวัดข้อปฏิบัติเก่าแก่ของข้าพระองค์หนอขอพระองค์จงตรัสบอกศีลละวัดนั้นซึ่งข้าพระองค์ควรรู้แจ้งด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่า ข้อที่ท่านให้มนุษย์เป็นอันมากกู้กระหายน้ำซึ่งถูกแดดแผดเผาในฤดูร้อนได้ดื่มน้ำนั้นเป็นศีลละวัดเก่าแก่ของท่านเรายังระลึกได้อยู่ประดุดหลับและตื่นขึ้นฉะนั้นข้อที่ท่านช่วยปลดเปลื้องประชุมชนที่ถูกโจรจับที่ตรบูลเอนี้นั้นเป็นศีละวัดเก่าแก่ของท่านเรายัางระลึกได้อยู่ประดุดหลับและตื่นขึ้นฉะนั้น ข้อที่ท่านข่มขี่ด้วยกําลังแล้วช่วยปลดเปลื้องเรือซึ่งถูกหน้าผู้ร้ายจับไว้ในกระแสของแม่น้ําคงคาเพราะความเอ็นดูในหมู่มนุษย์นั้นเป็นศิลวัตเก่าแก่ของท่านเรายังระลึกได้อยู่ประดุดหลับและตื่นขึ้นฉะนั้นเราได้เป็นอันเทวาสิก ข, ของท่านนามว่ากัปปมานพเราได้เข้าใจท่านแล้วว่า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 จึงยังพรงมะโลกให้สว่างสวัยตั้งอยู่อัปาราทิฏฐิสูตรว่าด้วยทิตฐิอีกอย่างหนึง่งสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นโรมองค์หนึ่งได้เกิดทิฏฐิชั่วเช่นนี้ว่า สมณะพรามที่จะพึงมาในพรหมโลกนี้ได้ไม่มีเลยครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบความคิดคำหนึ่งนั้นทรงหายพระองค์จากพระเจตวันแล้วไปปรากฏในพรหมโลกลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคประทับนั่งขัดสมาธิในอากาศเบื้องบนพรหมนั้นเข้าเตโชทาตกรสินแล้วครั้งนั้น ท่านพระมหาโมคลานะได้มีความคิดดังนี้ว่าบัดนี้พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณที่ไหนหนาก็ได้เห็นพระผู้มีพระภาคประทับนั่งขัดสมาธิในอากาศเบื้องบนโพรมนั้นส่งเข้าเตโชธาตุสินอยู่ได้เห็นด้วยทิพจักขูกอันบริสุทธิ์ล่วงจากสุมย์จึงหายตัวจากพระเจตวันไปปรากฏในพรมโลกนั้นลำดับนั้นท่านพระมหาโมคลานะ อาศัยทิตตะวันออกนั่งขัดสมาธิในอากาศเบื้องบนของพรมนั้นแต่ต่ำกว่าพระผู้มีพระภาคเข้าเตโชธาตุกสินครั้งนั้นท่านพระมหากัสสปะได้มีความคิดดังนี้ว่าบัดนี้พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ไหนหนาได้เห็นด้วยที่ประจักษขุจึงหายตัวจากพระเชตวันไปปรากฏในพรหมโลก อาศัยทิศใต้นั่งขัดสมาธิในอากาศเบื้องบนของพรมนั้นแต่ต่ำกว่าพระผู้มีพระภาคเข้าเตโชธาตสินต่อมาพระมหากัปปินาได้มีความคิดดังนี้ว่าพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ไหนหนาได้เห็นด้วยทิพจักขุจึงหายตัวไปปรากฏในพรมโลกนั้นอาศัยทิศตะวันตกนั่งสมาธิในอากาศเบื้องบนพรมนั้นแต่ต่ำกว่าพระผู้มีพระภาค เข้าเตโชทาตกสินลำดับนั้นท่านพระอนุรุท ธ, ธาได้มีความคิดดังนี้ว่าบัดนี้พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ไหนหนอได้เห็นด้วยที่ประจักษ์ขู่จึงหายตัวไปปรากฏในพรหมโลกนั้นอาศัยทิศเหนือนั่งขัดสมาธิในอากาศเบื้องบนของพลมนั้นแต่ต่ำกว่าพระผู้มีพระภาคเข้าเตโชทาตกสิน ครั้งนั้นท่านพระมหาโมคลานะได้กล่าวกับพรหมนั้นด้วยคาถาว่าผู้มีอายุแม้ในวันนี้ท่านก็ยังมีทิฏฐิเหมือนครั้งก่อนหรือไม่ท่านยังเห็นพระรัศมีอันประพัสสอนของพระผู้มีพระภาคก้าวล่วงรัศมีอื่นในพรหมโลกหรือไม่พรหมนั้นตอบว่าข้าแต่ท่านผู้นิรทุกข้าพเจ้ามิได้มีทิฏฐิเหมือนครั้งก่อน ข้าพเจ้าเห็นพระรัสมีอันประพัดสอนของพระผู้มีพระภาคก้าวล่วงรัศมีอื่นในโรมโลกอยู่ในวันนี้ข้าพเจ้าจะพึงกล่าวว่าเราเป็นผู้เที่ยงเป็นผู้คงที่ได้อย่างไรลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคให้โรมนั้นสลดใจแล้วทรงหายพระองค์จากโรมโลกนั้นไปปรากฏในพระเจตาวันลำดับนั้น พระมเด้เรียกระมมะปราริษัทช้าองค์หนึ่งมากล่าวว่ามาเถิดท่านผู้นิรทุกข์ท่านจงเข้าไปหาท่านพระมหาโมคลานะจงกล่าวกับท่านอย่างนี้ว่าท่านพระมหาโมคลานะผู้นิรทุกข์มีอยู่หรือไม่หนอที่สาวกทั้งหลายของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นแม้เหล่าอื่นซึ่งมีฤทธิ์มากอย่างนี้มีอนุภาพมากอย่างนี้เหมือนอย่างท่านพระมหาโมคลานะท่านพระกัสปะ ท่านพระกัปปินะและท่านพระอนุรุทธโรมปาริสัชานั้นรับคําของพรหมนั้นแล้วได้หายตัวไปปรากฏต่อหน้าท่านพระมหาโมคคลานะแล้วถามคําถามนั้นลำดับนั้นท่านพระมหาโมคคลานะได้กล่าวกับโรมปาริสัชะด้วยคถาว่าสาวกทั้งหลายของพระพุทธเจ้าผู้ได้วิชาสาม คือปุเพนิวาสานุสติยานที่ประจักษุยานและอาสวัคยายานบรรลุอิทธิวิทยานฉลาดในเจโตปริยายานสิ้นอาสวะแล้วเป็นพระอรหันมีอยู่มากลำดับนั้นรมมปาริสัชชานั้นได้รับคำตอบแล้วจึงกลับไปรมมโลกและแจ้งคำตอบนี้แก่รมนั้น ซึ่งพรมก็มีความยินดีชื่นชมในคําตอบนั้นประมาทาสูตรว่าด้วยผู้ประมาทสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคทรงหลีกเร้นประทับ พ, พ, พักผ่อนอยู่ในที่พักลังวันครั้งนั้นสุพรมมาปัจเจ ก, กบพบโรมและสุดทา่าวาดปัจเจ ก, กับโรมเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ได้ยืนพิงบานประตูคนละข้างลำดับนั้นสุพรมปัจเจกพรหมได้กล่าวกับสุท่าวาาปัจเจกพรหมดังนี้ว่าท่านผู้นิระทุกไม่ใช่เวลาอันควรที่จะเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคก่อนพระผู้มีพระภาคทรงหลีกเร้นประทับพักผ่อนอยู่ในที่พักกลางวันก็พรหมโลกนู้นบริบูรณ์และเบิกบานแล้วแต่พรหมในพรหมโลกนั้น ยอมอยู่ด้วยความประมาทมาเถอะพวกเราจะเข้าไปพรมมโลกพึงให้พรหมนั้นสลดใจสุทาวาสปจเจ ก, กับพรหมได้รับคําของสุโรหมปเจ ก, กพรหมว่าอย่างนั้นท่านผู้นิรุตุกทั้งสองท่านจึงหายตัวจากเบื้องพระพักของพระผู้มีพระภาคไปปรากฏในพรห ม, มโลกพรหมนั้นได้เห็นพรหมเหล่านั้นปรากฏกายขึ้นจึงถามว่า พวกท่านมาจากที่ไหนกันท่านภูณิระทุกพวกเรามาจากสำนักของพระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นอันหนึง่งท่านจะไปสู่ที่บำรุงของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นผู้เป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าบ้างไมมหลักเมื่อปรมทั้งสองนั้นกล่าวแล้วเช่นนี้ปรมนั้นอดกลั้นคำนั้นไม่ได้จึงเนรมิตรตนเป็นหนึ่งพัน แล้วได้กล่าวคำนี้กับสุพรหมมาปฏเจกกบพรมว่าท่านผู้นิรุตุขท่านเห็นอิทธานุภาพเห็นปา น, นี้ของเราหรือไม่สุพรหมมาปฏเจกกบพรมกล่าวว่าเราเห็นอิทธานุภาพเห็นปา น, นี้ของท่านแล้วพรมนั้นกล่าวว่าเรานั้นเป็นผู้มีฤทธิ์มากอย่างนี้มีอนุภาพมากอย่างนี้จกไปสู่ที่บำรุงของสมณพราหมณอื่นทําไม ลำดับนั้นสุพรห ม, มปัจเจ ก, กับพรหมเนรมิตรตนเป็นสองพันองค์แล้วได้กล่าวคํานี้กับพรหมว่าท่านผู้นิรุตุท่านเห็นอิทธานุภาพเห็นปา น, นิของเราหรือไม่ตอบว่าเห็นแล้วสุพรหมมาปเจ ก, กับพรหมจึงกล่าวว่าพราผู้มีพระภาค พ, พระองค์นั้นเท่านั้นมีฤทธิ์มากกว่าและมีอนุภาพยิ่งใหญ่กว่าท่านและเราด้วย ท่านผู้นิรทุกท่านพึงไปสู่ที่บำรุงของพระผู้มีพระภาค พ, พระองค์นั้นผู้เป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเถิดครั้งนั้นรมนั้นเร้กล่าวกับสุกรมมาปจเจ ก, กับรมด้วยคถาว่าข้าแต่รมวิมานของเราผู้มีชานนี้นั้นมีรูปครุฑสามรอยรูปมีรูปหงศ์สี่ร้อยรูปมีรูปมฤกที่เหมือนเสือโคร่งห้าร้อยรูป ย่อมรุ่งโรธส่องสว่างอยู่ในทิศเหนือสุพรมมะปจเจกับพรมและสุทาวาตปจเจกับพรมกล่าวว่าวิมานของท่านนั้นถึงจะรุ่งโรธส่องสว่างอยู่ในทิศเหนือก็จริงเพราะเห็นโทษในรูปและเพราะเห็นรูปอันวันไหวอยู่ทุกเมื่อพระศาสดาผู้มีพระปัญญาดีจึงไม่ทรงยินดีในรูป ครั้งนั้นสุพรล ม, มาปัจเจกกับรมและสุดทาว่าปฏิเจกกับรมให้รมนั้นสลดใจแล้วหายตัวไปณที่นั้นเองอันหนึง่งรมนั้นสมัยต่อมาได้ไปสู่ที่บำรุงของพระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระอระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วโกกาลิกะสูตร ว่าด้วยโกกาลิกะภิกษุเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคทรงหลีบร้นประทับพักพร อ, อยู่ในที่พักลังวันข้อนี้คือทรงเข้าพระละสมมาบัติครั้งนั้นสุโรมมะปะเจกครมและสุทธาวาสปัจเจกกรรมเข้าไปเป้าพระผู้มีพระภาคได้ยืนพิงบานประตูอลละข้าง ลำดับนั้นสุพรหมมะปะเจกกับพรมปรารบโกกาลิกะภิกษุได้กล่าวคถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าใครผู้มีปัญญาในโลกนี้จะพึงประเมินพระขีณาสพผู้มีคุณอันประมาณมิได้เราเห็นว่าผู้นั้นมีปัญญาทึบยังเป็นปุถุชนอยู่บังอาจประเมินพระขีณาสพ ผู้มีคุณอันประมาณมิได้กะตะโมระติสกะสูตรว่าด้วยกะตะโมระติสกะภิกษุเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคทรงหลีกเร้นประทับพักพรอนอยู่ในที่พักลังวันครั้งนั้น สุพรมมะปฏเจกกะพรมและสุทาวาสปัจเจกกะพรมเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคได้ยืนพิงบานประตูคนละข้างลำดับนั้นสุทธาวาสปัจเจกกะพรมปรารบกตะโมระกัติดสกะภิกษุได้กล่าวคถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าใครผู้มีปัญญาในโลกนี้จะพึงประเมินพระขีนาศพผู้มีคุณอันประมาทมิได้ เราเห็นว่าผู้นั้นมีปัญญาทึบยังเป็นปุถุชนอยู่บังอาจประเมินพระกีนาศพผู้มีกุลอันประมาณมิได้ตุทุพรมมาสูตรว่าด้วยตุทุปัจเจกกับพรมเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีสมัยนั้น โกกาลิกาภิกษุอาพาธได้รับทุกข์เป็นไข้หนักครั้นเมื่อปฐมมัยามผ่านไปตุทู ป, ปเจ ก, กับลมมีวันณะงดงามยิ่งนักเปล่งรัศีให้สว่างทั่วพระเชตวันเข้าไปหาโกกาลิกาภิกษุจนถึงที่อยู่เยือนอยู่กลางอากาศได้กล่าวกับโกกาลิกาภิกษุดังนี้ว่าท่านโกกาลิกะ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 ท่านได้รับพยากรจากพระผู้มีพระภาคว่าเป็นอนาคามีแล้วมิใช่หรือเมื่อเป็นเช่นนี้ทำไมท่านจึงมาที่นี้อีกท่านจงเห็นว่าความผิดนี้ของท่านมีอยู่เถิดตุทูปเจ ก, กับรมได้กล่าวว่าพารุสวาจาคํายาบเป็นเหมือนพึงเครื่องตัดตนของคนพาลผู้กล่าวคาชั่ว ย่อมเกิดที่ปากของบุรุษผู้ใดสรรเสริญคนที่ควรติเตียนหรือติเตียนคนที่ควรสรรเสริญผู้นั้นชื่อว่าสังสมความผิดไว้ด้วยปากย่อมไม่ประสบความสุขเพราะความผิดนั้นการปลาชัยด้วยทรัพย์ในการเล่นการพนันจนหมดตัวนี้เป็นความผิดเพียงเล็กน้อยแต่การที่บุคคลมีใจประทุษร้าย ในบุคคลผู้ดำเนินไปดีแล้วนี้เท่านั้นเป็นความผิดมากกว่าบุคคลผู้ตั้งวาจาและใจอันชั่วติเตียนพระอริยย่อมเข้าถึงนรกสิ้นหนึ่ง0นพันนิรพุทธกัปกับอีกห้าอพุทธกัปนิรพุทธกัปเท่ากับหนึ่งมีศูนย์ตามหลัง63สาตัว บ้างว่าหนึ่งร้อยล้านโกกาลิกะสูตรว่าโดยโกกาลิกะภิกษุเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีครั้งนั้นโกกาลิกะภิกษุเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับกราบทูลดังนี้ว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านพระสาวรีบุตรและท่านพระโมคคัลลานะเป็นผู้มีความปรารถนาชั่วตกอยู่ในอำนาจความปรารถนาชั่วเมื่อโกกาลิกะภิกษุกล่าวอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับโกกาลิกะภิกษุดังนี้ว่าโกกาลิกะเธออยากล่าวอย่างนั้นเธอจงทำจิตให้เลื่อมใสในสารีบุตรและโมคคัลลานะเถิด เพราะสาวรีบุตรละโมคะลานะเป็นผู้มีศีลเป็นที่รักแม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สามโกกาลิกะภิกสุก็ยังกราบทูลเหมือนเดิมครั้งนั้นโกกาลิกะภิกสุลุกขึ้นจากอาสนะถวายอภิวาสและทำประทักษศินจากไปเมื่อกโกกาลิกะภิกสุจากไปไม่นาน ร่างกายก็มีตุ่มขนาดเท่ า, มาเมล็ดพันธุ์ผักกาดเกิดขึ้นทั่วร่างตุ่มเหล่านั้นโตเท่ า, มาเมล็ดพันธุ์ผักกาดแล้วก็โตขึ้นเท่ า, มาเมล็ดถั่วเขียวโตเท่ า, มาเมล็ดถั่วดำโตเท่ า, มาเมล็ดพุทษาโตเท่ า, มาเมล็ด ก, กระเบาเท่าผลมะขามป้อมเท่าผลมะตูมแล้วก็แตกเยิม้มหนองและเลือดหลังออกมาครั้งนั้น โกกาลิกาภิกษุได้มรณาภาพเพราะอ า, าพาธนั่นเองแล้วไปเกิดในปทุมานรกเพราะมีจิตผูกอาฆาตในท่านพระสารีบุตรและท่านพระโมคคัลลานะรั้นเมื่อปฐมยามผ่านไปท้าวสหบดีพรมมีวันนางดงามยิ่งนักเปล่งรัศมีให้สว่างทั่วพระเชตวันเข้าไปเป้าพระผู้มีพระภาค ถวายอภิวาสและกราบทูลดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโกกาลิกาภิกษุมรณภาพแล้วไปเกิดในประตูมรรคเพราะมีจิตผูกอาฆาตในท่านพระสาวรีบุตรและท่านพระโมกขลานะครั้นเท้าสหบดีโรมกราบทูลดังนี้แล้วถวายอภิวาทกระทำประทักษิณแล้วหายตัวไป ครั้นราตรีนั้นผ่านไปพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสเล่าเรื่องที่สหบดีพรมมาปรากฏกายแล้วกล่าวถึงโกากาะภิษุโมรณภาพและไปเกิดในนรกด้วยจิตผูกอาฆาตในท่านพระสาวรีบุตรและท่านพระโมคคัลลานะภิกษุรูปหนึ่งได้ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ประมาณอายุในปฐุมมรรกนานเท่าไรหนาะตรัสตอบว่าภิกษุประมาณอายุในปฐุมมารรกนานนักยากที่จะนับได้ว่าประมาณปีเท่านี้ประมาณร้อยปีเท่านี้ประมาณพันปีเท่านี้หรือประมาณแสนปีเท่านี้ภิกษุทูลถามว่าพระองค์พอจะยกอุปมาได้หรือไม่ พระผู้มิพระภาคจึงตรัสตอบว่าอุปมาได้ดังนี้หนึ่งเกวียนเมล็ดงาของชาวโกศลมีอัตรายี่สบขารีลวงไปแล้วหนึ่งแสนปีบุรุษจึงนำมเมล็ดงาออกจากเกวียนนั้นหนึ่งมเมล็ดมเมล็ดงาหนึ่งเกวียนของชาวโกศล น, นั้นจะพึงหมดไปทํานองนี้เร็วกว่าแต่ว่าหนึ่งอัปพุทธนรก หาหมดไปไหมโกกาลิกะภิกษุไปเกิดในปทุมนณโรกแล้วเพราะมีจิตผูกอาคาตในสาวรีบุตรและโมคคัลลานะพระผู้มีพระภาคผู้สุคตัสสดาได้ตรัสวยากรณะภาสิทิ์นี้แล้วจึงได้ตรัสคถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าพารุสวาจาคือคำหยาบเป็นเหมือนผึง่ง เรื่องตัดตนของคนพาลผู้กล่าวคำชั่วย่อมเกิดที่ปากของบุรุษผู้ใดสันเสริญคนที่ควรติเตียนหรือติเตียนคนที่กวรสันเสริญผู้นั้นชื่อว่าสังสมความผิดไว้ด้วยปากย่อมไม่ประสบความสุขเพราะความผิดนั้นการปลราชัยด้วยทรัพ์ในการเล่นการพนันจนหมดตัวนี้เป็นความผิดเพียงเล็กน้อย เมื่อเทียบกับการที่บุคคลมีใจพระทุษรายในบุคคลผู้ดำเนินไปดีแล้วนี้เท่านั้นเป็นความผิดมากกว่าบุคคลผู้ตั้งวาจาและใจอันชั่วติเตียนพระอริยะย่อมเข้าถึงนรกสิ้น 136,000 นพันนิระพุทธกับกับอีกห้าอพุทธกับ ตุติยาวัคหมวดที่สองสนังกุมาราสูตรว่าด้วยสนังกุมารพรหมสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำสับ ป, ปินีเขตกรุงราชครืดรันเมื่อปฐมยามผ่านไปสนังกุมารพรหมมีวันน่า ง, งดงามยิ่งนักเปล่งรัศมีให้สว่างทั่วฝั่งแม่น้ำสับ ป, ปินี เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคตวายะพิวานแล้วกล่าวกาถานี้ว่าในหมู่ชนที่ถือตระกูลเป็นใหญ่กษัตริย์จัดว่าประเสริฐที่สุดส่วนท่านผู้เพียบร้อมด้วยวิชาและจารณะจัดว่าประเสริฐที่สุดในหมู่เทวดาและมนุษย์สนางกุมารพรมมรันกราบทูลคำนี้แล้ว จึงถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคกระทำประทักษิณและหายตัวไปณที่นั้นเองเทวทัตตสูตรว่าด้วยพระเทวทัตสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณภูเขาคิดจกูรเขตกรุงราชฤกษ์เมื่อพระเทวทัตจากไปไม่นาน รันปฐมมยามผ่านไปเท้าสหบดีพรมมีวันณะงดงามยิ่งนักเปล่งรัสมีให้สว่างทั่วภูเขาคิดจกปูดเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถวายอภิวาสแล้วกล่าวคถานิว่าสสักการะยอมฆ่าบุรุษชั่วเหมือนผลกล้วยฆ่าต้นกล้วยคุยไผ่ฆ่าต้นไผ่ดอก อ, อ้อฆ่าต้นอ้อ ลูกมาอัสดรนฆ่าแม่ม้าฉะนั้นอันทกะวินทสูดว่าด้วยเรื่องอันทกะวินทคามสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณอันทกะวินทคามแคว้นมคดสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับนั่งอยู่ในที่แจ้ง ในราตรีอันมืดมิดและฝนกําลังตกระรายอยู่ครั้นเมื่อปฐมยามผ่านไปท้าวสหมบดีพรมเข้าไปเป้าพระผู้มิพระภาคถวายอภิวาสและกล่าวคาถานิวา่าภิกษุพึงอาศัยที่นอนและที่นั่งอันสงัดพึงประพฤติเพื่อความหลุดพ้นจากสังโยชน์ถ้าภิกษุไม่ประสบความยินดีในที่นั้น พึงมีสติมีปัญญาเครื่องบริหารอยู่ในท่้ำกลางสงฆ์ภิกษุเมื่อเที่ยวบินธบาตตามลำดับระพูลพึงมีปัญญาเครื่องบริหารกุ้มกรองอินทรีย์พึงอาศัยที่นอนที่นั่งอันสงัดผลจากภัยในวัตตะน้อมไปในอาภัยคือนิพพานพิกษุถึงนั่งอยู่ในที่ที่มีสัตว์เลื้อยคลานอันน่ากลัว สายฟ้าแลบแแลบลาบชวัดชเวียนฝนตกในราตรีอันมืดมิดก็ปราศจากความขนพองสยองเกล้าข้าพระองค์กลัวมุสาวาทจึงไม่อาจคํานวณด้วยใจของข้าพระองค์ได้ว่าเรื่องนี้ข้าพระองค์ได้เห็นแล้วแน่ข้าพระองค์ไม่กล่าวว่าในเรื่องนี้เป็นอย่างนี้ในพระมจันหนึ่งคือธรรมเทศนาหนึ่ง มีพระขีนาศพผู้รักความตายได้ 1,000 พรูปพระเสขามากกว่าห0 0ร้อรูปสิบรูปบ้างหนึ่งรรูปบ้างและผู้ถึงกระแสนิพพานทั้งหมดไม่ไปสู่ดิรรชานภูมิส่วนหมู่สัตว์นอกนี้ล้วนเป็นผู้มีส่วนได้รับผลบุญอารุณวะวตีสูตร ว่าด้วยเรื่องเมืองอรุณนาวดีสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอ ย, ยู่ณเขตกรุงสาวัตถีหน้าที่นั้นรับสั่งเ ร, ภง ร, เรงีภิกษุทั้งหลายมาตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วมีพระราชาพระนามว่าอารุณราชธานีของพระเจ้าอารุณชื่อว่าอารุณนวดี พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามวาสิกขีทรงเข้าไปอาศัยอรุณวดีราชธานีประทับอยู่อห น, นึง่งพระสิกขีพุทธเจ้าได้มีคู่พระสาวกนามว่าอาภิภูและสัมภวะเป็นคู่พระสาวกชั้นดีเลิศครั้งนั้นพระสิกขีพุทธเจ้ารับสั่งเรียกอภิภูภิกษุมาตรัสว่า มาเถิดเราจะเข้าไปพรหมโลกชั้นใดชั้นหนึ่งช่วเวลาหนึ่งจนกว่าจะถึงเวลาชั้นพัตนาหารอภิภูิภิกษุทูลรับสนองพระดำรัสแล้วลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามวาสิคีและอาภิภูภิกษุได้หายตัวจากอารุณวดีราชธานีไปปรากฏในพรหมโลกนั้น รับสั่งเรขอภิภูภิกษุมาตรัสว่าทำมีกาถาจงประกฏชัดแก่พรมพร ม, มบริษัทและพร ม, มปาริษัทชาทั้งหลายเถิดอภิภูภิกษุทูลรับสนองพระดํารัสแล้วได้ชี้แจงให้พรหมพร ม, มบริษัทและพร ม, มปาริษัทชาทั้งหลายเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาดหานแกล้า หล่อชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมมีกถาแล้วภิกษุทั้งหลายได้ยินว่าในการนั้นพ ร, มรมมะมพระมบริสัทและพรมมะมปาริสัทชาทั้งหลายยกโทษติเตียนโพธนาว่าก็เมื่อพระศาสดาประทับอยู่เฉพาะหน้าเพราะเหตุไรพระสาวกจึงแสดงธรรมลำดับนั้น พระสิกขีพุทธเจ้าตรัสกับอภิภูภิกษุว่าพวกพรมเหล่านี้พาการตีเตียนถ้าอย่างนั้นเธอจงให้พรมโรมมบริสัทธ์และโรมมาปริสัท์ชาติทั้งหลายสลดใจให้ยิ่งขึ้นไปอภิภูภิกษุทุนรับสนองพระดำรัสแล้วปรากฏกายแสดงธรรมบ้างไม่ปรากฏกายแสดงธรรมบ้างปรากฏกายท่อนล่าง ไม่ปรากฏกายท่อนบนแสดงธรรมบ้างปรากฏกายท่อนบนไม่ปรากฏกายท่อนล่างแสดงธรรมบ้างภิกษุทั้งหลายได้ยินว่าในการนั้นมูพรมทั้งหลายได้มีจิตอัศจรรย์เกิดขึ้นว่าน่าอัศจรรย์จริงท่านผู้เจริญทั้งหลายความที่สมณะเป็นผู้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากครั้งนั้นอภิภูภิกษุ ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าสิครีดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ย่อมทราบข้าพระองค์เป็นผู้กล่าววาจาเห็นปานนี้ในถ้ำกลางภิกษุสงฆ์ว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายเราอยู่ที่ปรงมโลกสามารถยังมือโลกธาตุให้รู้แจ้งด้วยเสียงได้ พระผู้มีพระภาคสิกขีพุทธเจ้าจึงตรัสว่าเป็นการของเธอที่เธอยือนอยู่ที่โรมมโลกพึงยังหมื่นโลกธาตุให้รู้แจ้งด้วยเสียงได้อภิภูภิกษุทูลรับสนองพระดำรัสแล้วยือนอยู่ในโรมมโลกได้เปล่าคาถาเหล่านี้ว่าท่านทั้งหลายจงปรารบความเพียรจงทําความเพียรอย่าหยุดยัง้ง จงประกอบความเพียรในพระพุทธศาสนาจงกำจัดกองทัพแห่งมัดจุบเหมือนช้างกำจัดเรือนต้นอ้อฉะนั้นผู้ที่ไม่ประมาทอยู่ในพระธรรมวินัยนี้หลักการเวียนไหวาตายเกิดแล้วจะกระทำที่สุดแห่งทุกได้ภิกษุทั้งหลายครั้งนั้น ราผู้มีพระภาคอราหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนาวาสิขีและอภิภูภิกษุอย่างพรมปรมบริสัตและปรมาริสัทชาติทั้งหลายให้สลดใจแล้วได้หายตัวจากปรมโลกนั้นไปปรากฏในอรุณวดีราชธานีครั้งนั้นพระสิกีพุทธเจ้ารับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย เมื่ออาภิภูภิกษุยืนอยู่ในโรมโลกกล่าวคาถาทั้งหลายอยู่เธอทั้งหลายได้ยินหรือไม่ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าได้ยินตรัสถามว่าเธอทั้งหลายได้ยินว่าอย่างไรภิกษุทั้งหลายตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่ออาภิภูภิกษุยืนอยู่ในโรมโลกกล่าวคาถาทั้งหลายอยู่ ข้าพระองค์ทั้งหลายได้ยินอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายจงพรารบความเพียรจงทําความเพียรอย่าหยุดยัง้งจงประกอบความเพียรในพระพุทธศาสนาจงกาจัดกองทัพแห่งมจัจจุเหมือนช้างกำจัดเรือนต้นอ้อฉะนั้นผู้ที่ไม่ประมาทอยู่ในพระธรรมวินัยนี้ละการเวียนว่ายตายเกิดแล้วจะกระทาที่สุดแห่งทุกข์ได้ เมื่ออภิภูภิกษุยืนกล่าวคถ า, าทั้งหลายอยู่ในโรมโลกข้าพระองค์ทั้งหลายได้ยินแล้วอย่างนี้เพราะผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามวาสิขีตรัสว่าดีแล้วภิกษุทั้งหลายดีนักภิกษุทั้งหลายเมื่ออภิภูภิกษุยืนกล่าวคถ า, าทั้งหลายอยู่ในโรมโลกเธอทั้งหลายได้ยินแล้ว พระผู้มีพระภาคได้ตรัสพุทธพจนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาสิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลปรินิพานสูตรว่าด้วยการปรินิพานสมัยหนึ่งในเวลาใกล้ปรินิพาน พระผู้มิพระภาคประทับอยู่ระหว่างต้นไม้สาระทั้งคู่ในป่าสารวันสถานที่แวะภักของมัรรกษัตริย์ทั้งหลายเขตกรุงกุสินาราลำดับนั้นพระผู้มิพระภาค ร, รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนพวกเธอว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา พวกเธอจงทาหน้าที่ให้สมบูรณ์ด้วยความไม่ประมาทเถิดนี้เป็นพระวาจาครั้งสุดท้ายของรัตถาคตต่อจากนั้นพระผู้มีพระภาคส่งเข้าปฐมฌานออกจากปฐมฌานส่งเข้าทุทาาตทยาาิยฌานตัดิยฌานจะตุทัตฌานตามลำดับเราทส่งเข้าอากาานัญจายตนะสมาบัตวิญญาณนัญจายตนะสมาบัต อากินัญญายตนะสมาบัติเนวะสัญญาณาสัญญายตนะสมาบัติส่งเข้าสัญญาเวทาิตานิโรธออกจากสัญญาเวทาิตานิโรธส่งเข้าเนวะสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติอากินัญญายตนะสมาบัตวิญญาณัญจายตนะสมาบัติอากาสานัญจายตนะสมาบัติออกจากอากาสานัญจายตนะสมาบัติแล้ว ส่งเข้าจตุทถตชานออกจากจตุทถตชานส่งเข้าตติยะชานทุติยะชานปฐมมาชานออกจากปฐมมาชานส่งเข้าทุติยะชานตติยะชานออกจากตติยะชานส่งเข้าจตุทถตชานออกจากจตุทัตชานแล้วได้ปรินิพพานในลำดับ เมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จบรลินิพานท้าวสหามบดีพรมได้กล่าวคถาพร้อมกับการเสด็จบรลินิพานว่าสัพรพสัตว์จะต้องทอดทิ้งร่างกายไว้ในโลกพระศาสดาผู้หาใครเปรียบเทียบไม่ได้ในโลกผู้เข้าถึงสภาวะตามเป็นจริงผู้บรรลุพลธรรมผู้บรรลุทศพ ล, ลยานผู้ตรัสรู้เองโดยชอบเช่นนี้ ก็ยังเสด็จบริณิพานได้เมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จบริณิพานเท้าสักกะจอมเทพได้ตรัสคถาพร้อมกับการเสด็จบริณิพานว่าสังขารทั้งหลายล้วนไม่เที่ยงมีความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปความสงบระงับสังขารเหล่านั้นเป็นความสุข เมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จบรินิพานท่านพระอานน์ได้กล่าวคาถาพร้อมกับการเสด็จบริญิพานว่าเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระอาการอันล้ำเลิศทุกอย่างเสด็จบรินิพานแล้วในการนั้นได้เกิดเหตุหน่าอาจจัศจรรย์ขนพองสยองกล้าเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จบรินิพานท่านพระอนุรุท ธ, ธะ ได้กล่าวคาถาพร้อมกับการเสด็จปรินิพานว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกของพระผู้มีพระภาคผู้มีพระทัยมั่นคงผู้คงที่ไม่มีแล้วพระมุนีผู้ไม่หวั่นไหวมุ่งไฝสันติคืออนุ ป, ปาที่เสสนิพานมีพระจักสุเสด็จปรินิพานแล้ว พระองค์ผู้มีพระทัยไม่หดหูทรงอดกลั้นเวทนาไว้ได้มีพระทัยหลุดพ้นแล้วดุดดวงประทีป ท, ที่ช่อช่วงดับไปฉะนั้นรงมสั่งยุต์จบบริบูรณ์